ก็พอจะได้ฟังคร่าวๆเกี่ยวกับความสาคัญของมรรคไปนะครับทีนี้เราจะมาสู่การปฏิบัติก่อนนะครับใน 4, 5หวันนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มค่อยๆว่ากันที่การปฏิบัติเป็นจุดๆเป็นเรื่องๆ อ, อย่างเช่นการเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีนะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่เป็นเป็นสื่อเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยให้ท่านได้ทาความเข้าใจ เกี่ยวกับธรรมะของพระพุทธเจ้าในการปรับมาให้เข้าใจในปี 2,500 ให้เข้าใจง่ายขึ้นแต่ไม่ทิ้งในตัวแก่นสารนะครับเราจะติปฏิบัติกันไปแบบปัญญาชนคือรู้ว่าปฏิบัติไปเพื่ออะไรทำอะไรอะไรเป็นอุบายอะไรเป็นแก่นจะไม่หลงอุบายว่าสิ่งนี้เป็นการปฏิบัติ จะได้รู้ว่าอะไรคือธรรมทำไปเพื่ออะไรอย่างตอนนี้ที่ขึ้นอยู่บนจอนะครับสมาธิภาวนาเป็นไปเพื่ออะไรอันนี้คัดมาจากพระไตรปิฎกให้นะครับสมาธิภาวนาเป็นไปเพื่อที่จะทาสุขวิหารเพื่อความสุขในปัจจุบันพักผ่อนจิตสองสมาธิภาวนาเป็นไปเพื่ อ, อยานัศสนะ สมาธิภาวนาเป็นไปเพื่อสติและสังป์ปัญญะสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะเราจะมาดูเพื่อจะได้ไม่สับสนบางคนเราก็อาจจะเคยได้ยินว่า happiness is here and now การปฏิบัติสมาธิทำให้เกิดความสุขบางก็บอกว่าเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์ ไม่ผิดเพราะว่าข้อที่หนึ่งสมาธิภาวนาเป็นไปเพื่อความสุขในการพักผ่อนถ้าบอกว่าพ้นทุกข์ก็คือข้อสี่สิ้นอาสวะเลยเข้าถึงความเป็นผ้ารานเป็นไปเพื่อยานทัศนะให้เกิดมุมมองที่ถูกต้องของรูปและนามมุมมองที่ถูกต้องได้ของรูปและนามสมาธิภาวนาจะเป็นไปเพื่อการเห็นไตรลักษณ์ ก็จะเข้าใจความเป็นรูปและนามสมาธิภาวนาเป็นไปนเพื่อสติและสัมปชัญญะอันนี้ท่านเข้าใจกันดีอยู่แล้วเดินจงกรมนั่งสมาธิรู้ ล, ลมสังเกตอาการเคลื่อนเป็นไปนเพื่อสติสัมปชัญญะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสมมุติว่าท่านเดินจงกรมบางคนกนเดินช้าบางคนก็เห็นเดินปกติหยิบแล้วก็หมุน เขาเดิก็ไม่ถึงกระชมนกชมไม้แต่ก็เดินในสปีดปกติเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของจิตถ้าเราแนบหรือทำให้จิตค่อยๆหยุดแล้วก็แนบด้วยการเพ่ง ดีกรีของการเพ่งคล้ายๆกับการหมนุนหมนุนหมุนสายสายกีตาร์จากหย่อนหย่อนมีการตึงขึ้นไปเป็นลําดับเป็นดีกรีของมันท่านยิ่งแนบมากขึ้นเท่าไหร่สมาธิจะเกิดมากขึ้นเท่านั้นมันจะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งบางครั้งมันก็อาจจะมีคําว่ามากเกินไปอะไรที่มากเกินไปไม่ดีแน่ แค่ไหนพอดีผมถึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นศิลปะไม่ใช่ศาสตร์จึงไม่มีค่าอะไรที่แน่นอนอย่างเช่นบางคนนั่งปับ๊บรู้สึกมันเกร็งเพ่งบังคับทำยังไงก็ไม่หายก็ถามว่ามันควรจะต้องแค่ไหนผมก็บอกว่าถ้ามีคนเคยทูลถามพระเจ้าว่าแค่ไหน ถึงจะพอดีท่านก็ตรัสว่าเปรียบเสเหมือนบุรุษจับนกมีแรงเกินไปนกก็ตายเบาเกินไปนกก็บินหนีทํายังไงถึงจะจับพอดีพอดีท่านก็บอกว่าจับบ่อยๆสิคําตอบอาจจะไปคนละเรื่องกับคนที่อยากจะรู้ก็ได้จับบ่อยๆแล้วจะรู้เอง เพราะฉะนั้นคำว่าจับบ่อยๆหลายคนก็บอกว่านิ่ถ้าจะว่าจับบ่อยๆนี่จับมาเป็นสิบปีแล้วก็ยังหาไม่เจอเลยว่าแค่ไหนอย่าให้พูดต่อเลยดี๋ยวมันจะช้ำกันเปล่าๆเวลามีงานประชุมทั้งโลกเนี่ยนะครับเขาจะกลัวที่สุดก็คือคือสิ่งเนี้ย ที่ทางโลกเ็าเรียกว่า dead air นะทำไมเวลาเกิด dead air เนี่ยคนจึงเกิดความกดดันทางโลกจะกลัวมากเพราะห้องประชุมเนี่ยมันจะเหมือนตกอยู่ในสภาพสุญญากาศแล้วผู้คนจะกดดันผมสงสัยจริงๆเลยว่านี่คือความสงบไม่ใช่หรอมันเกิดเป็นความกดดันได้ยังไง This is an awareness test. How many passes does the team in white make? ให้ท่านนับ <coughs> จํานวนครั้งการส่งลูกบาลของทีมสีขาวนะครับเอาเฉพาะทีมสีขาวนะครับนับดีๆนะครับเพราะก็จะมีทีมสีดํามาด้วยเอาไว้หลอกท่านนะครับ มีสิบสองบ้างสิบสามบ้างนะครับดูคำตอบนะครับสิบสามครับก็ถามว่าท่านเห็นคนแต่งชุดหมีเดิน moonwalk รับ นับไม่เห็นเห็นตอนหลังแปลว่าอะไรครับทำไมตอนนับจงไม่เห็นหมูแต่นับถ้าดูอีกตามความเป็นจริงคือเรากำลังพุ่งเพ่งเกิดสมาธิกับสิ่งนั้นโดยที่ไม่คลาดสายตาเลยถูกไหมครับเพราะเราตั้งใจที่จะนับลูกบาสให้ได้ครบทุกลูกเลย มันจึงเกิดการพุ่งเพ่งเกิดสมาธิที่สูงมากสูงจนกระทั่งแม้แต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าต่อหน้าต่อตาก็ไม่เห็นชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับเมื่อไรก็ตามที่สมาธิภาวนาเป็นการพุ่งเพ่งแล้วสร้างเงื่อนไขเข้าไปเยอะมันจะไม่เห็นสิ่งที่อยู่ต่อหน้าต่อตาคือไตรลักษณ์ นี่คือเมื่อไหร่ก็ตามที่สมาธิสูงจนถึงจุดจุดหนึ่งเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์จึงจำเป็นต้องคลายออกบ้างเพื่อกลับมาอยู่ในวิธีจิตปกติเมื่อไหร่ก็ตามถูกสร้างเงื่อนไขเข้าไปไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้านั่งสมาธิด้วยการรู้ลมแล้วกําหนดจุดให้ถียิบเลยจะมีสภาพเหมือนกับถูกสร้างเงื่อนไข พักๆมันจะไม่ไปทางไหนเลยนะครับสักพักมันจะเกิดสมาธิที่ดิ่งแล้วก็รวมอาจจะเกินกว่าจุดที่ต้องการก็ได้หรืออาการต่างๆก็เช่นกันดังนั้นผู้ปฏิบัติต้องมีปัญญาที่จะรู้ว่าเมื่อไรต้องการสมาธิสูงๆเมื่อไรควรจะผ่อน การปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงเหมือนกับการที่ต้องใช้ปัญญาในการรู้เองว่าควรจะแค่ไหนในแต่ละเวลาแล้วผมจะบอกความจริงของนักปฏิบัติให้เลยว่าอย่ายึดคําสอนใดเป็นคําสอนที่จะเดินทางตั้งแต่ต้นจนจบเพราะว่าแม้บาลังนี้ท่านจะทําแบบนี้แล้วดีบาลังหน้าก็ไม่ใช่บาลังหน้าพอเปลี่ยนไปนึกว่าจะใช่มันก็ไม่ใช่อีก เพราะว่าสรรพสิ่งเกิดขึ้นตามเหตุปานปัจจัยแล้วก็เปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยเหตุปัจจัยของแต่ละอย่างมีอย่างน้อย24เหตุที่เข้ามาเข้ามาเพราะฉะนั้นใน24เหตุแต่ละอาจจะมากกว่า24ซึ่งจะทําให้ผลทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดเวลาจึงไม่มีใครสามารถคาดเดาหรือว่าโปรเจกต์อะไรได้ผู้ปฏิบัติจึงจําเป็นต้องพลิกแพลงไปตามสถานการณ์แล้วเข้าใจจนกระทั่งถึงจุดที่จิตใจปล่อยวางไม่ยึดถือ พอเห็นแล้วว่าสรพพสิ่งเกิดขึ้นเพราะมีเหตุดับไปหรือเปลี่ยนไปเพราะหมดเหตุหรือเหตุเปลี่ยนไปโลกนี้ทุกอย่างจึงเป็นอนิจจังตลอดเวลาเมื่อเข้าใจอนิจจังจะเห็นเลย ว, ว่าสภาพเหล่านี้ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเนี่ยคือสภาพของทุกข์ที่เรียกว่าทุกขันแต่ความเป็นจริงไม่มีผู้ทุกข์เราไปสร้างผู้ทุกข์ขึ้นมาเองแต่ว่าวันนี้เราค่อยๆศึกษาอย่างนี้ไปก่อนแล้วสัพพสิ่งที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เพราะว่ามีเหตุที่เปลี่ยนผลก็เปลี่ยนเหตุก็เปลี่ยนผลก็เปลี่ยน เป็นสภาพของอนัตตาไม่ได้มีตัวตนอะไรนั่งสมาธิแล้วถ้าเกิดไม่ <c oughs> ไม่มีปัญญาพอนั่งสงบดีก็จะบอกว่าโอ้วันลังนี้ดีจังนั่งแล้วมีความสุขพออีกบรลังหนึ่งก็นั่งแบบเดิมฟุ้งตลอดนั่งเท่าไหร่ก็ไม่สงบเราก็จะได้ยินโยคีพูดเสมอๆว่าโอ้วันนี้นั่งไม่ดีเลยนั่งไม่สงบผมถามว่านั่งดีเป็นยังไง อ่านั่งดีก็นั่งแล้วมันสงบไงอ้โหเลยแล้วเนี่ยนั่งไม่ได้ดีเลยอยากจะสงบแบบคราวที่แล้วก็ทําไม่ได้ไม่รู้ทําอะไรผิดคุณเข้าไปยึดคุณยังไม่รู้เลยมาถอนความยึดมั่นถือมั่นแต่มาสร้างความยึดมั่นถือมั่นอีกแล้วก็ดูไม่ออกด้วยว่า ทุกสิ่งแต่ละอย่างก็แค่ของเกิดเกิดดับๆับพอเข้าไปยึดถือก็โง่เองก็ทุกเองของมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดตามเหตุปัจจัยไปล็อกเองว่าอันไหนดีอไหนไม่ดีถ้าเห็นทุกอย่างมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยก็เห็นว่าวมันมีเหตุแล้วก็หมดเหตุความคิดอาจจะไม่หยุดแต่จิตหยุดวันนี้ ที่เราปฏิบัติกันทั้งหมดปลายทางคือเตสังบูปะสะโมสุขโขการสงบสงการสงบระงับสังขารการปรุงแต่งได้เป็นความสุขไม่ได้เขาไม่ได้บอกนะครับว่าการหยุดความคิดได้เป็นความสุขวันนี้ทำไมต้องหยุดคิดทำไมต้องมาล้ลมให้ให้คิดดับเพราะวันนี้เราเคลื่อนที่ตลอดเราจึงมองไม่เห็นอะไรสักอย่าง เราจึงจำเป็นต้องหยุดทุกอย่างให้สังเกตเห็นก่อนแล้วปล่อยให้มันเคลื่อนแล้วหยุดมีสองอย่างที่เคลื่อนอยู่ตอนนี้สภาพความจริงโดยสมมุติกับสภาพความจริงที่เป็นความเคลื่อนไหวภายในผมใช้คำง่ายๆว่ามีคู่ขนานอยู่สองอย่างเราเห็นคู่ขนานเราเห็นเส้นเดียวเราไม่เห็นคู่ขนานของมันชีวิตของเราจึงเดินด้วยตาข้างเดียว อริยะบุคคลทั้งหลายท่านมีสองตาท่านเห็นทั้งโลกบัญญัติแล้วก็โลกปรามาตัตดพร้อมกันมนุษย์เห็นโลกฝั่งเดียวไม่เห็นอีกโลกหนึ่งนี่คือสาเหตุที่ทําไมเราจึงต้องหยุดก่อนเพื่อให้เข้ามาเห็นแล้วก็ไปสังเกตเห็นอีกอันหนึ่งแล้วหลังจากนั้นปล่อยให้สภาพบัญญัติเดินไปแต่สภาพปรมัญญตห ด, ดหยุดจิตหยุด เมื่อนั้นน่ะสงบนั่งกลางสำเพ็งก็สงบแต่ไม่ใช่สงบแบบนั่งสมาธิแล้วเงียบไม่ใช่ใจสงบเย็นนิพพานไม่ได้อยู่ที่หยุดความคิดแล้วก็หยุดทุกอย่างไม่ใช่ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติขันทํางานเป็นปกติแต่ปล่อยความยึดถือขันความคิดเกิดตลอดเวลาก็ได้แต่ไม่ยึดความคิดอีก วันนี้มันยึดความคิดมันจึงเป็นทุกข์กับความคิดแต่จะทำให้เข้าไปถึงสิ่งนี้ได้มันต้องหยุดก่อนนะครับต้องหยุดก่อนเพราะวันนี้ที่ผมมาชี้เรื่องอลูกบาทอะไรก็ดีเพื่อให้ท่านรู้จักที่จะผ่อนดีกรีการปฏิบัติผมบอกแล้วว่าคอร์สนี้สั้นห้าวัน4ี่คืนผู้ปฏิบัติต้องเก็บเกี่ยวหาปัญญาาเอง อย่าเดินดุยดุยเดินตามที่เขาเล่าว่าท่านสามารถลองเดินเร็วได้เดินช้าได้ด้วยตัวเองลองนั่งแบบนั้นแบบนี้ด้วยตัวเองท่านจะเริ่มรู้สึกอ๋ออย่างนี้ก็ดีแบบหนึง่งแต่ก็มีข้อเสียแบบหนึง่งอันนี้ก็ดีแบบหนึง่งมีข้อเสียแบบหนึง่งให้ปฏิบัติแบบนี้แล้วท่านจะรู้เลยว่าแค่ไหนพูะเจ้าถึงได้บอกว่า จับบ่อยๆสิบางทีมันก็แรงไปนกตายก็รู้ว่านกตายบางทีเบาไปนกก็บินหนีก็รู้ว่าแค่ น, นกบินหนีมันจะได้ลองขยับขยับขยับขยับขยับขยับแล้วมันจะหาสมดุลแห่งธรรมได้นะครับเราจะมากันที่อาณาปนานสติก่อนเมื่อกี้เราพูดค้างไว้เราจะมาดูกันให้เห็นเองว่าเมื่อ2500้ปีที่แล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไร ไม่ต้องฟังใครไม่ต้องฟังในประเสริฐฟังจากพระโอษฐ์จะรู้ว่าคําไหนมาจากพระโอษฐ์ก็ให้ดูสังเกตคําว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะครับอ่ะพนมมือนะครับเดี๋ยวเราสวดไปด้วยกัน ana panasati pikkave pa vita pauli katta ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติอนุพลเจริญําให้มากแล้วมหาบราโหติมหานิทังชาย่อมมีผลใหญ่มีอานิสง์ใหญ่เห็นไหมครับแค่เริ่มต้นพระเจ้าก็บอกแล้วว่าผู้ที่เจริญอานาปานสติให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงใหญ่ อาณาปานสติสิกเวปวิตาภุลิะทาโูก่อนภิกสุทั้งหลายอาณาปานสติอนบุคลเจริญทำให้มากแล้วจาตธาตุสติปัฏฐานเนปัติภูเรนติยอมทมสติปัฏฐานทั้งผีให้บริบูรณ์ การสรสติปัฏฐานปามิตาภาุริกตาสติปัฏฐานทั้งสี่อันทุกคนจะเริญททำให้มากแล้วโอจังเกปริภูเรติจอทมทำโทชจงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์เรามาดูหน้านี้กันนิดหนึ่งนะครับ อาณาปณะสติอันบุคคลจเจริญทําให้มากแล้วย่อมทําให้สติประฐานทั้งสีบริบูรณ์เดี๋ยวผมจะให้ท่านดูเลยว่าอาณาปณะสติทําให้สติประฐานทั้งสี่บริบูรณ์ได้อย่างไงนะครับพระเจ้าไม่เคยตัดอะไรเล่นๆแน่สิ่งที่ท่านพูดต้องจริงมีประโยชน์ท่านถึงตรัสออกมาแล้วนี่เป็นคําสอนเมื่อสองพันห้ากว่าปีที่แล้วจนถึงวันนี้นะครับสติประธานทั้งสีอันบุคคลจเจริญทําให้มากแล้วย่อมทําให้โพชฌงเจ็บริบูรณ์ เมื่อสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์ชอบโพดชงจะบริบูรณ์ตามขึ้นมาเลยะอะไรคือสติปัฏฐานสี่หนึ่งคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ใช่การรู้กายนะอ่านดูดีๆนะครับพระไตรปิฎกเขียนไว้ว่าการตั้งสติพิจารณากายให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงกายไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขา แสดงว่าจุดมุ่งหมายของอาณาปณสติกายานุปัสนาเห็นความจริงรู้แจ้งในกายการกระทําใดๆก็ตามที่ทําให้เกิดความเห็นความจริงรู้แจ้งในกายนี้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่อัตาของเรานั่นแหละคือกายานุปัสนาสติปทาน ท่านจะทํำยังไงถ้าผมบอกว่าท่านจะทํำยังไงก็ได้ให้รู้แจ้งขึ้นมาให้ได้ว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานั่นละ่ะคือกายานุปัสนาสติปัฏฐานชื่อก็บอกอยู่ชัดเจนนะครับกายาคือกายวิปัสนาคือรู้แจ้งขึ้นมารู้แจ้งอะไรรู้แจ้งว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสิวันนี้มันไปเห็นว่าไอ้นี่เป็นเราไอ้นี่เป็นของเรามันถึงได้ทุกแบบนี้ไงเป็นสิวขึ้นมาเต็มหน้าก็ทุกเป็นมะเร็งก็ทุก นั่งอยู่ดีๆเกิดเดินขาหักก็ทุกข์ทุกข์ทำไมอ่ะก็ทุกข์กับขาเราหักนั่งสมาธิ ป, ปวดปวดขาปวดขาแล้วทําไมต้องทุกข์อ่ะโอ้ปวดขาทาไมไม่ทุกข์ปวดขาก็ต้องทุกข์ดิเอาขามันก็ปวดของมันอยู่แล้วนั่งท่าเนี้จะไปทุกข์กับมันทําไมเพราะไปยึดมันเป็นเราไงมันถึงได้ทุกข์แล้วทําไงถึงจะเห็นความจริงท่านจึงบอกว่ามีหกอย่างที่จะทําให้เห็นความจริงว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา หนึ่งคือสังเกตอิทยาบทไปเรื่อยๆโดยมีสติสัมปชัญญะแล้วเดี๋ยวจะเกิดญาณทัศนะเห็นอย่างครับว่าสมาธิภาวนาเป็นไปเพื่ออะไรทุกอย่างที่ท่านตรัสเอาไว้เนี่ยสอดรับกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะดูต้องดูให้ครบองค์อย่าฟังเป็นจุดสองอานาปานสติอันนี้ชัดเจนเจะทำให้เห็นเลยว่ากายนี้ไม่ใช่เราแล้วนี่ไม่ไม่วิปัสสนายัางไงสาม สัมปชัญญะบอบพระการเคลื่อนโดยใช้สัมปชัญญะเข้าไปมีสัมปชัญญะในการเคลื่อนต่างๆก็มีหลายสำนักที่ใช้วิธีนี้นะครับ 4. ี่ปฏิคูณมนานสิการให้เห็นเป็นความสกรปรกไม่สะอาดก่อนที่ท่านจะลงไปรัพบประทานอาหารเมื่อสักครู่สวดทาตุปัจเวกย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันอาหารเข้าไปดีๆเนี่ยเข้าไปถึงปั๊บก็เริ่มเข้าไปแล้วก็ ตอนไหลออกมาเป็นยังไงล่ะย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันนี่นะกายที่ท่านดูแลนักษาอย่างนักหนักหนาของเน่าเหม็นอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปตามธาตุของมันไปยึดมันเป็นของเราหมดแล้วทําไมยังไม่ทุกกับมันล่ะไอของเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยความเป็นธาตุบางคนก็ถนัดเห็นความเป็นธาตุ ธาตุไหลเข้าธาตุก็ไหลออกธาตุไหลเข้าทั้งปากธาตุน้ำเมื่อกี้ท่านดื่มน้ําเดี๋ยวนั่งไม่เกินสองชั่วโมงธาตุน้ําที่ท่านไหลเข้าไปมันจะไหลออกลองบอกสิว่าอย่าไหลออกถ้ามันเป็นเราต้องบังคับได้พระเจ้าบอกถ้ามันเป็นเราต้องบังคับได้บังคับอะไรไม่ได้สักอย่างมันทํางานของมันตามเหตุตามปัจจัยหมดสังเกตดูอย่างนี้ก็จะเห็นเองเอากล้วยส้มผลไม้กินเข้าไปเช้าออกมาเป็นอะไรเป็นธาตุดินกับธาตุน้ํา เราไปเรียกนี่กล้วยสมม้ไมไม่ใช่เหรอไม่ความจริงก็เป็นแค่ธาตุดินกับธาตุน้ำเราไปตั้งชื่อเรียกมยันเฉยๆตามสีสันที่เปลี่ยนไปตามรสชาติที่เปลี่ยนไปมันก็ดินกับน้าทั้งนั้นแหละเป็นธาตุของแข็งของอ่อนพอเราไปให้ค่าทุกอย่างเราก็เริ่มหลงเข้าไปในบรรยัติที่เราสร้างขึ้นมาพิจารณาความเป็นสรากศพหลายคนไปเห็นความเป็นสรางก็ทาให้เข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้น โอ้เท่านั้นเองเราไปยึดอะไรเนี่ยตอนที่มีวิญญาณครองสิงก็เป็นชีวิตพอหมดวิญญาณคลองสิงก็กลายเป็นซากเป็นทอ่อนดินก็จะหลเป็นดินน้ำจะไหลเป็นน้ำลมหยุดไฟดับมันก็หมดความยึดถือเริ่มเห็นแล้วว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ย คือหัวใจของกายานุปัสนาสติปทานส่วนทั้งหกข้อที่เรียงลงมาเป็นหน่วยสนับสนุนเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่าเข้าใจผิดว่ากายานุปัสนาสติปฐานคือการกระทำอย่างนั้นอย่างนี้ การจะเกิดความรู้แจ้งขึ้นว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราอาศัยองค์ประกอบหกอย่างใครถนัดมีจริตแบบไหนแบบนั้นจะเหมาะกับคนนั้นหลายคนเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ได้แต่เวลาดูซากศพนี่รู้สึกมันใช่ยังไงไม่รู้พขานั่งจิตใ จ, จตั้งมั่นขึ้นมาเห็นตัวเองเดินกรองแกล้งกรองแกล้งมีแต่กระดูกเลยเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เราเนี่ยวอ่านี่ไงมันเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วนี่ไง บางคนไม่ต้องเดินเลยเห็นต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิมันเกิดปัญญารู้แจ้งขึ้นมาก็เพราะว่าต้องการตรงนี้แหละอย่าตั้งอะไรเป็นหลักแล้วดึงคนอื่นเข้ามาหาหลักที่ตัวเองตั้งพระเจ้าให้หลักเอาไว้แล้วที่เหมาะกับแต่ละคนแต่ละคนขอให้ทําความเข้าใจให้ถูกเทนั้นเองนี่คือที่ท่านตัดว่าถ้าจเจริญอาณาปณะสติแล้วสติปัฏฐานทั้งสี่จะบริบูรณ์หนึ่งกายจะเห็นอย่างนี้ มาถึงเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานพระไทยบิฎกว่ายังไงการตั้งสติพิจารณาเห็นเวทนารู้เป็นไปตามความจริงว่าเป็นเพียงเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาวันนี้ท่านนั่งปวดขาสมมติเดี๋ยวนั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงพอปวดขาพ้ปวดใจโอ้ยปวดจังเลยทำไมทุกอย่างนี้ท่านเอาเวทนาทางกาย มายึดเป็นของเราจึงเกิดเวทนาทางใจทั้งๆที่เวทนาทางกายมันเกิดเกิดดับดับตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่ท่านนั่งพับขาอย่างนี้สักพักมันก็ปวดปวดถึงจุดจุดหนึ่งมันทรมานใจเพราะสัญญาเก่าท่านเคยจำเอาไว้เพราะเวลาอยู่ที่ทํางานอยู่ที่ออฟฟิศอยู่ที่บ้านท่านไม่ได้นั่ง ท, นนท่านนั่งอยู่บนโซฟาบ้างล่างอยู่บนเก้าอี้ทางานแบบผมนี่แล้วก็นั่งไขว่ห้าง พอถึงจุดหนึ่งท่านก็เปลี่ยนขาไขว่ห้างท่านยังไม่รู้เลยว่าท่านทาไปไขว่ห้างเปลี่ยนขาเป็นตั้งเมื่อไหร่เพราะธรรมชาติของรูปนามนี่มันหนีทุกข์ของมันอยู่แล้วแต่มันทนทุกข์ได้ในจุดที่ต่ํามากเพราะว่ามันจะหนีตั้งแต่ต้นๆพอมานั่งอยู่อย่างนี้เนี่ยมันทนทุกข์อยู่นานๆมันก็เริ่มอึดอัดเพราะว่าสัญญามันเคยเตือนตั้งแต่ต้นตอนที่พอปวดแค่นี้ต้องขยับสมมุติว่าดีกรีเท่ากับสองปุ๊บจะขยับขาแต่นี่เกินขึ้นมาเป็นสามสี่แล้วไม่ยอมขยับมันจะเริ่มอดดอดนะ มันต้องการขยับแต่เราไม่ขยับยิ่งนั่งสมาธิเราไม่ขยับมันจะดันขึ้นไปที่ห้าหกพอเป็นครึ่งชั่วโมงก็ยัอยอยงชั่วหน่อยหลังจากนั้นนั่งวันที่สองวันที่สามวันที่สี่เวลาการนั่งเริ่มเคลื่อนขยับขึ้นไปเรื่อยเื่อหรือจะเท่าเดิมก็ตามท่านจะเริ่มรู้สึกไม่ทรมานเหมือนวันแรก จุดเดือดของท่านเริ่มขยับขึ้นความตั้งมั่นความแก้วกล้าของจิตก็ขยับขึ้นเหมือนกันนี่คืออานิสงส์ที่คนมองไม่เห็นเกิดการเปลี่ยนแปลงในขันห้าเป็นการฝึกขันไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เห็นธรรมชาติอย่างหนึ่งอาจจะปล่อยความยึดถือได้เป็นช่วงๆแล้วนั่นจะเป็นปัญญาในอนาคตที่ทาให้เห็นว่าเวทนาไม่ใช่เรามันเกิดดับตามเหตุปัจจัย แล้วมันจะปล่อยวางเข้าถึงเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาอย่าไปยึด ม, มันเป็นเรายึดมันเป็นเราก็เจ็บปวดก็เป็นทุกข์ใจพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่าความต่างกันระหว่างอริยสาวกกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็คือว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อเกิดเวทนาทางกายจะเกิดเวทนาทางใจเหมือนลูกศรที่ยิงปักหน้าอกของคนคนหนึ่ง แล้วถูกยิงซ้ำเข้ามาอีกดอกหนึ่งแต่ส่วนอริยสาวกผู้สดับเมื่อเกิดเวทนาทางกายจะไม่เกิดเวทนาทางใจจะไม่ข้ามครวญจะไม่พิริย์หรือพิไลําพันกับมันเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเกิดเวทนาทางกายจึงไม่เกิดเวทนาทางใจเพราะฉะนั้นอยากจะดูว่าเราเป็นอริยสาวก ข, ของท่านหรือยังเป็นอริยบุคคลตามที่ท่านบอกไหม ดูว่าเมื่อเกิดเวทนาทางกายแล้วเกิดเวทนาทางใจไหมถ้าเห็นมันเป็นแค่ของเกิดดับตามธรรมชาติเพราะมีเหตุเกิดก็เกิดหมดเหตุก็ดับไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวของเราจะไปเดือดร้อนกับมันทําไมที่ต้นไม้ของกทธรรมตายไม่เห็นเดือดร้อนที่ขาเป็นมะเร็งหน่อยทําไมต้องทุกข์เพราะเรายึดขาเป็นของเราเนี่แหละพระเจ้าถึงได้ถามสาวก ในวันหนึ่งว่าตอนที่เขาลากกิ่งไม้ไปเผาท่านถามว่าเธอเห็นคนเ็าลากกิ่งไม้ไปเผาไหม <cent popular> เห็นพระเจ้าค่ะเธอรู้สึกยังไงกับกิ่งไม้ที่ถูกลากไปเผาไม่รู้สึกอะไรพระเจ้าค่ะทำไมเพราะมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราพระเจ้าค่ะวันใดก็ตามที่เธอเห็นรูปนาม ข, ขนันห้านี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเธอจะทุกข์กับมันได้ยังไง <c oughs> ผมถึงบอก สิ่งที่ท่านตรัสไว้ไม่ใช่คิดตามให้เหมือนท่านนะครับแต่วันหนึ่งที่รู้แจ้งความจริงขึ้นมาขันห้าไม่เคยเป็นของเราไม่เคยเป็นเราแม้แต่วินาทีเดียวแม้แต่ท่านคิดว่ามันเป็นของเรามันก็ไม่เคยเป็นในพระโสดาบันจึงละความเห็นผิดในความเป็นตัวตนไม่ได้ไปสร้างอะไรขึ้นมาเลยเพราะสิ่งนี้ไม่เคยเป็นของท่านแม้แต่วินาทีเดียว แล้วไม่เคยเป็นเราของท่านด้วยเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนี้แต่เพราะเป็นอย่างนี้มันจึงไปสร้างเหตุเกิดให้ขันเนี่ยไม่หยุดขันนี้จึงต้องรับกรรมไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสิ่งที่กระทำที่เรียกว่ากรรมเราจะรับรองเรื่องนี้ หลักสูตรนี้ท้าทุกตอนสามทุ่มคืนนี้ท่านเห็นแน่ไม่ช้าห้าวันจะบีบอัดทุกอย่างในสิบยี่สิบปีเข้ามาเลอในห้าวันนี้แหละใครจะเปลี่ยนใครจะรู้แจ้งใครมันรู้กันไปที่นี่แหละจิตทำเอาละไม่ไปช้าละเมื่อสติประทานทั้งสี่บริบูรณ์โพชฌงเจตจะบริบูรณ์ อะไรคือพุชงเจดองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้นี่อนาปนสติอานิสงส์ขนาดนี้เลยนะครับมาถึงนี่แล้วนะครับพุชงเจดจะบริบูรณ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นที่บอกว่าอานาปนสติเป็นสมถกรรมฐานนะคิดผิดคิดใหม่นะครับพูดผิดพูดใหม่เพราะนี่เป็นคำจากพระโอษฐ์อ่ะสวดต่อนะครับ จ า, าโมาจังกาพาวิตาภุริกาตาโชจงทังเกตสุกคนเจริญธรรมให้มากแลว้วปิชาริมุติปริปูริทสย่อมดำวิจารณะอีมุตให้บริบูรณ์การังปาวิตาจะพิฆเวอน า, านาปานสติ พระทังพาุริกตาดูกนที่สุทั้งหลายก็อาณาปานสติอันถุกคนเจริญทำให้มากแล้วอย่างไรเล่ามาหภาปราโมติมหานิสังสารจึงมีผลใหญ่มีอานิสงใหญ่เมื่อพ่อชงเจ็ดเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำให้วิชชา ตรงกันข้ามกับอวิชชาวิชาวชาเกิดขึ้นความรู้แจ้งเกิดขึ้นวิมุตติคือความหลุดพ้นเกิดขึ้นนะครับแล้วอานาปนสติอันบุคคลเจริญทําให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อย่างที่ท่านตรัสมาเข้ามาสู่การปฏิบัติแล้วนะครับตอนแรกท่านบอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วตอนนี้ท่านจะบอกว่าทํำยังไงถึงจะเกิด เอตาปิกะเวปิกูตุก่อนปิกสูตสมายปิกสูตในธรรมวินัยนี้อารัญญากาโตวาไปแล้วถูกป่าก็ตามรุปะคุลากาโตวาไปแล้วถูกปนไม้ก็ตามสุญญาการากาโตวา ไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตามครับไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างครับตอนนี้เราก็มาสู่เรือนว่างนี่แหลน ะ, ทะทนิสิตาติัาลังกาอาปุจิตวานางผููขาเข้ามาโดยรอบแล้วผููชุงกายยังปะมิตายาปานิโมขันสติสุปัสเสตวาน ส่งภายธรงดำรงสติมั่นโสโทษวะอัทศัสติสโทษษัสติทิกสุนั่นเป็นผู้มีสติอยู่นั่นเทียวหายใจออกมีสติอยู่หายใจเข้าเอาละนะครับนั่งคุ้ขาเข้ามาโดยรอบเอาเลยครับเราจะทําตามคําจะกพระโอธเลยเลย ถอยหลังตัวเองกลับไปเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วเป็นสา ว, วกนั่งอยู่ต่อหน้าพระบรมศาสดาแล้วให้ท่านสอนทำอานาปนาสติตั้งกายตรงดำรงสติมั่นภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่นั้นเทียวหายใจออกมีสติอยู่หายใจเข้าเป็นผู้มีสติอยู่คือเป็นผู้รู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าไปเรื่อยๆเราจะทำแค่ตามที่ท่าน ัดบอกส่วนอุบายของใครเคยมีมากกว่านี้น้อยกว่านี้ผมแล้วแต่ท่านถ้าท่านจะทำตามอุบายก็ทำไปครูเจ้าสอนแค่ไหนผมบอกแค่นั้นนะครับในขั้นนี้เราจะไว้แค่ตรงนี้ก่อนนี่ยังไม่เข้าขั้นที่หนึ่งเลยนะครับนี่เพิ่งจะเตรียมเท่านั้นเอง แต่ว่าเราจะนั่งสงบสงบด้วยอาณาปณะสติตามนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวทีหลังค่อยมาดูขั้นที่2 3 4สาสี่ไปเรื่อยว่าวัตถุประสงค์ในจุดประสงค์หรือการเดินทางของจิตหลังจากทำอาณาปณาสติไปแล้วจะไปจบยังไงแล้วจะเป็นแบบไหนแล้วไปสอดคล้องกับในสัมมาสมาธิมรรคองค์ที่8อยยังไงบ้างนะครับจะมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมดผมจะหยุด ะจะเงียบไม่ใช่เสียงให้ท่านรู้ลมไปได้เอ ย, เอยแวบไปคิดกลับมารู้ลมไม่ต้องหุดหิดอะไรผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายกล้ามเนื้อทำอย่างมีความสุขเราจะนั่งกันยี่สิบนาทีนั่งสมาธิแล้วสดชื่นเลยนะครับหลับ <c oughs> แต่แปดสิบเปอร์เซ็นนั่งตั้งกายตรงดำรงสติมั่นจริงๆอุบชุงมกายย่างเลยครับ <c oughs> วันแรกนะก็มีบ้างแหละค่อยเราเพิ่งจะพากออกมาจากเรือนนิวรทั้งหลายก็ยังกุ่มรุมรบกว น, ไ, นไม่มีปัญหาคันติเป็นธรรมเครื่องเผ า, เากิเลส พระพูทเจ้าก็จัดเอาไว้แล้วไม่ต้องห่วงมีแต่ได้ไม่มีเสีย น, ะนั่งต่อให้ไม่ได้ไม่เห็นส ง, งบอะไรสักอย่างแต่ท่านได้ทนนั่งแล้วทนนั่งในกิเลสก็โดนเผาไปเรื่อยนั่งบ้างหลับบ้างอะไรอย่างแยแยนั่งบ้างหลับบ้างนี่ก็อดทนอะแทนที่จะนอนลงไปเลยอะก็ <c oughs> ได้ทน่ะไม่ตามใจกิเลสกิเลสก็ถูกเผานะไม่ใช่ โอ้ยทุกข์จะตายไหนบอกว่าปฏิบัติแล้วมีความสุขความทุกข์มันเป็นทุติภูมิไม่ใช่เหรอคนติดยาเนี่ยวันจะเลิกยาเนี่ยทุกข์นะครับพอไปติดมันแล้วระหว่างที่กำลังเลิกยาทุกข์นะครับรุ่นพี่ถึงต้องคอยเชียร์อ้วกเข้าไปอ้วกเข้าไปนะคที่เราเคยเห็นทำกระบอกเนะี่ยอ้วกอวกอว ก, อวกกันอยู่นั่นอนะ มันพี่ก็ต้องตีกองเชียร์กันเขาบอกว่าความสุขจริงๆไม่ได้อยู่ที่การเสพยาเหล่าไอ้น้องความสุขจริงๆอยู่ที่ความเป็นอิสระจากยาเสพติดวันไหนพวกเจ้าเลิกได้วันนั้นแต่เจ้าจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรคือความสุขที่ปราศจากแล้วก็อยู่เนือความเป็นทาต วันนี้อย่ามาประกาศตัวว่าเป็นความสุขซะง่ายๆให้ยากเพราะว่าตราบใดที่เรายัางเป็นธาตุอะไรอยู่เราจะมาบอกตัวว่าเป็นความสุขได้ยังไงโดนมันจิกหัวบงการใช้สมัยก่อนก่อนที่ผมจะบวชผมก็คิดว่าฆราวาส อ, อยากทําอะไรก็ได้ทําอยากกินอะไรก็ได้กินอยากไปไหนก็ได้ไปฆราวาสมีชีวิตที่อิสระพระไม่อิสระเลย อยากไปไหนก็ไม่ได้ไปอยากทำอะไรก็ไปได้ทำอยากจะฉันอะไรก็ไม่ได้ฉัน <c oughs> แล้วแต่เขาจะจัดมาให้แล้วแต่เขาจะใส่บาตรมาให้ผมมีความรู้สึกว่าพระไม่อิสระเลยจนกระทั่งผมเข้าไปบวชผมถึงรู้เลยว่าเราคิดผิดละพระสีเป็นอิสระคารวาดไม่อิสระเลย ที่เราบอกว่าอยากกินอะไรก็ได้กินเราต้องเติมไปอีกคำหนึ่งเราลืมเติมไปว่าลองไม่ได้กินสิแล้วมันจะดิ้นให้ดูอยากไปไหนก็ดะก็ได้ไปเราบอกว่าเราเป็นอิสระลองไม่ได้ไปสิดูสิจะหน้าอีกิกหน้า ง, งอไหมอยากเป็นอะไรก็ได้เป็นลองไม่ได้เป็นสิ ไม่ว่าจะตำแหน่งไหนๆละ่ะไล่ตั้งแต่ผู้ช่วยจนกระทั่งถึงรัฐมนตรีน่ะร้องไม่ได้เป็นดังใจเห็นยิงกันมาเยอะและ้วนี่นะอิสระตราบใดที่ยังเป็นทาสให้ธรรมชาติธรรมชาตินึงจิกหัวบงการสั่งได้ตลอดเวลาอย่ามาประกาศตัวว่าตัวเองเป็นอิสระทาสไม่มีสิทธิ์ประกาศตัว วันไหนที่พ้นจากความเป็นทาสของอวิชชาค่อยประกาศตัวว่าข้าเป็นอิสระตอนที่วันที่ข้างในโพร่งขึ้นมาประกาศตัวว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ต้องทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่ต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกวันนั้นค่อยประกาศตัวว่าเราเป็นอิสระ เพราะฉะนั้นเส้นทางที่จะเดินไปสู่การประกาศอิสรภาพจริงๆเนี่ยอาศัยมัสมีองแปดนี่แหละในห้าวันนี้จะเป็นเส้นทางสู่การประกาศอิสรภาพสักทีแต่ไม่ใช่วันนี้วันนี้ยังเป็นทาตอยู่ก็ต้องอดทนทาตทั้งหลายต้องอดทนนะครับเพื่อจะประกาศตัวให้ได้เราจะกลับมาดูเรื่องอานาปนาสติให้จบ จะได้ไม่ต้องวนกลับมาเรื่องนี้อีกจะได้ไปทางอื่นเลยเมื่อกี้เราสวดถึงอาณาปณะสติยังไม่ขึ้นขั้นที่หนึ่งเลยแต่เราจะไม่สวดแล้วเพื่อความเร็วนะครับเราจะให้ท่านผมจะให้ท่านดูเฉยๆแล้วจะถึงเวลาพอท่านไปปฏิบัติก็ไปปฏิบัติต่อเอาเองนะครับเมื่อกี้เราสวดถึงตรงนี้ภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่นั้นเทียวหายใจออกมีสติอยู่หายใจเข้าแล้วท่านก็เริ่มหายใจออกหายใจเข้ากันเลย ซึ่งก็หายใจออกเข้ากันอยู่แล้วเพียงแต่ครั้งนี้เริ่มเข้ามาสังเกตหลังจากนี้ก็จะเข้าอานาปานาสติเพิ่งจะขั้นที่หนึ่งเองสังเกตนะครับพระเจ้าบอกว่าหายใจออกยาวให้รู้สึกตัวทั่วถึงว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวให้รู้สึกตัวทั่วถึงว่าหายใจเข้ายาวขั้นที่สองออกสั้นให้รู้ด้วยเข้าสั้นก็ให้รู้ด้วย เอาแค่นี้ก่อนทำไมออกยาวต้องรู้เข้ายาวต้องรู้เลื้ยวสั้นต้องรู้เราเชื่ออย่างหนึ่งไว้เลยว่าพระเจ้าตรัสอะไรต้องมีประโยชน์แน่ๆมันอยู่ที่เราจะรู้หรือเปล่าว่าประโยชน์ของสิ่งนี้คืออะไรวันนี้คนทำอาณาปณสติหรือจะใช่อุบายแบบไหนก็ตาม เอาลมหายใจถ้าเข้าใจลมก็จะเข้าใจหมดหลายสำนักที่เคลื่อนสันปัศม์ปัญญะบพะหรือจะดูท่องเลยเหมือนกันหมดลองสังเกตดูดีๆนะครับทำไมท่านถึงให้สังเกตดูที่ผมนะครับเมื่อกี้ท่านนั่งโดยใช้ยังไม่ได้เข้าอานาปนานสติขั้นที่หนึ่งท่านรู้ลมหายใจออกเข้าไปเรื่อยๆมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมจะชี้สภาวะที่ท่านมองไม่เห็นให้ดูนะครับ ตอนแรกท่านรู้ลมลมหายใจออกมือซ้ายของผมเป็นลมหายเป็นลักษณะของลมหายใจนะครับพระพเจ้าบอกว่ามีสติเป็นผู้รู้ลมมันจะเกิดผู้รู้ขึ้นมารู้ลมนะครับไม่งั้นท่านไม่เห็นลมนะครับสักพักมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ จะลงไปเป็นสิ่งเดียวกันนะครับผู้รู้กับลมจะกลายเป็นสิ่งเดียวกันอีกไม่นานท่านจะเริ่มเคลิมนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นสงบนะครับแต่ท่านไม่เห็นความสงบอีกต่อไปนะครับมันจะเข้าไปรวมเป็นสิ่งเดียวกันหมดตรงนี้ได้ความสงบแต่ไม่เกิดปัญญานะครับแล้วจะง่วง แล้วก็หลับหรือไม่ก็สงบไปอย่างนั้นเองดิ่งลงไปเรื่อยๆนะครับจะดิ่งลงไปเรื่อยๆแล้วจะเข้าไปเสพติดกับความสงบโดยไม่ใช่ผู้เห็นอีกต่อไปสังเกตดูว่าผู้เจ้าตรัสว่าให้เป็นผู้รู้ลมหายใจออกยาวเข้ายาวขณะที่ท่านเริ่มสงบจากการรู้ลม พอท่านเริ่มสังเกตลมหายใจว่ามันยาวหรือมันสั้นมันจะเกิดสิ่งนี้ทันทีไม่งั้นไม่รู้นะครับว่ายาวหรือสั้นจะต้องแยกตัวออกจากสิ่งนั้นถึงจะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงผมถึงบอกว่าอุบายของท่านเนี่ยท่านไม่บอกแต่ถ้าทําตามท่านสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเองยาวก็เห็นสั้นก็เห็น เมื่อสงบลงก็เห็นสงบไม่เป็นสงบแต่เป็นผู้รู้ความสงบเห็นความสงบจิตจะตั้งมั่นแล้วเดินทางต่อสู่ขั้นที่สามขั้นที่สี่ไปเรื่อยๆจนถึงขั้นที่สิบสามสิบี่สิบห้าสิบหกผมให้ท่านดูสรุปเฉยๆไม่สวดเพราะยาวมากนะครับไปศึกษาเองถ้าใครสนใจเพราะว่าการปฏิบัติตามนี้ต้องอาศัยเวลา ทุกอย่างอาศัยเวลาทั้งนั้นแหละเพื่อจะถอดถอนความเห็นผิดในอานาปนาสติขั้นที่หนึ่งเมื่อกี้ที่บอกว่าหายใจออกหายใจเข้ายาวรู้ออกเข้าสั้นรู้เริ่มรู้กายยัสังขารทั้งปวงหลังจากนั้นท่านจะเห็นเลยว่าลมหายใจเนี่ยเข้าไปทําให้เกิดกายยสังขารการปรุงแต่งทางกายมันจะไปทั่วสรรพรางกายเลย ลมหายใจนี่จะไปทั่วทั้งสาร่างกายเป็นการปรุงแต่งทางกายลมหายใจจะค่อยๆสงบระ ง, งับลงจนกระทั่งแผ่วเบาเข้าถึงขั้นที่สี่จากนั้นเมื่อเข้าถึงขั้นที่ห้าจะเกิดเป็นปีติตรงนี้ท่านสามารถไปเทียบกับสัมมาสมาธิในมรตมีองค์แปดได้เลยตอนนี้เข้าสู่ปฐมฌานแล้ว จะเกิดปีติขึ้นมาจะเกิดความสุขขึ้นมาแต่จิตเป็นผู้เกิดปีติผู้เกิดความสุขหลังจากนั้นจะค่อยๆสงบระงรับปีติก็ดับความสุขก็ดับ เดินทางเข้าสู่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่แค่รู้ลมอย่างเดียวนะครับจิตจะครบทั้งสี่ฐานเลยนิฐานที่สามแล้ถึงตอนนี้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเพราะหลังจากฌานที่สองเอโกที่ภาวะจะเกิดขึ้นจิตจะเกิดความตั้งมั่นจิตจะปราโมทหลังจากนั้น ที่เข้าไปกระทำอยู่ในสมถรรมฐานจุดนี้จะเริ่มปล่อยจิตจะเริ่มเป็นธรรมชาติเดินทางเข้าสู่ฌานที่สจิตจะเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ที่สุดจากนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นจะเห็นความจริงต่อไปในขั้นที่ 13, 14, 15, 16จะเห็นความเกิดดับการเกิดดับความไม่เที่ยง ที่เรียกว่าอนิจจานุปัสสีจากนั้นจิตจะเริ่มเข้าใจไม่เห็นการเกิดดับร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งจิตจะเริ่มเบื่อหน่ายคลายความยึดถือในสิ่งที่ตัวเองยึดถือมาตลอดนึกว่าสิ่งนี้เป็นตัวตนแต่ที่แท้ก็แค่ของเกิดเกิดดับๆความสุขก็เกิดดับปีติก็เกิดดับความทุกข์ก็เกิดดับอะไรก็เกิดดับตลอดทางที่เดินทางผ่านมาทุกอย่างล้วนเกิดดับทั้งสิ้นเลยจิตจะเริ่มปล่อยความยึดถือิตที่เรียกว่าวิราคธรรม พระพษทเจ้าตัดเอาไว้ในพระสูตรเยอะแยะมากมายว่าวิราคธรรมคือธรรมที่สำคัญมากในการเข้าสู่พากผลนิพพานจิตจะต้องรู้สึกสลดแล้วก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือสิ่งที่เองยึดถือมาทั้งหมดจะถูกปล่อยเมื่อจิตปล่อยมันจะเข้าสู่ความดับเกิดที่โรธานุปัสสีตรงนี้ดับลนะครับแล้วก็ไล่ดับไปเรื่อย จะเกิดอาการดับดับดับดับดับดับดับดับจากช่วงเป็นจุดเป็นเส้นจุดเมื่อติดกันมากๆจะต่อกันเป็นเส้นเมื่อดับก็ว่างจริงๆก็อยู่ในสภาพของดับนมันจะว่างว่างว่างว่างว่างไปนานๆก็สงบไม่มีอะไรเข้ามารบกวนอีกสงบอยู่อย่างนั้นทั้งการใช้ชีวิต อยู่ในวิถีปกติหรือแม้จะอยู่ในฌานก็ตามจนไม่มีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรน่ายึดถือเลยจิตจะสลัดคืนสู่ธรรมชาติที่เรียกว่าปฏตินิสขะเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์อาณาปานาสติทั้งสิบขั้นเป็นไปตามที่พระองค์ตรัสเอาไว้จริงๆย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงใหญ่ เมื่อสติปัฏฐานทั้งสี่บริบูรณ์จากการเดินอาณาปนานสติอย่างถูกต้องจิตจะหลุดพ้นจากอาสวะนี่พระสูตรเดียวเยใครถนัดทางนี้จบเลยทำให้ถูกตามท่านบอกจบเลยเอาล่ะก็ให้เห็นแล้วนะครับว่า มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่จริงๆเพราะฉะนั้นการรู้โลหมายใจก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายแต่ลึกล้ำแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆเชีให้เห็นต่อไปนะครับว่ามีประโยชน์ยังไงเรากลับมาที่สมาธิภาวนาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องตอกย้ำในการเจริญภาวนาของเราเวลาที่ท่านจะต้องทำเอง เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีสิ่งที่เป็นคำสอนเป็นไกด์ให้เราตลอดเราจะไม่ทำแบบดุยดุยทำหลงหลงทำฟังเขาเล่าว่าทีนี้ทุกท่านยืนขึ้นครับ ดังนั้นถ้าเรามาดูว่าการเดินจงกรมเนี่ยนะครับเรื่องของการเดินจงกรมโดยความเป็นจริงค่อนข้างอิสระนะเพราะว่าไม่ว่าจะตรวจสอบจากคําของพระพุทธเจ้าในการเดินจงกรมเนี่ยท่านเพียงจะพูดอา น, นิสงส์เอาไว้ของการเดินเท่านั้นเองห้าข้อนะผมจำได้ไม่ทราบจาได้หมดไหมแต่ข้อหนึ่งที่ผมจำได้แม่นๆหน่อยก็คือ ท่านบอกว่าสมาธิอันเกิดจากการเดินจงกรมจะตั้งอยู่นานอีกข้อหนึ่งก็คือทําให้เป็นผู้มีอาภาษน้อยอาหารย่อยง่ายสามนะสี่ทำให้เดินทางไกลได้ดีห้าเนผมนึกไม่ออกแต่ถ้าเกี่ยวกับการภาวนาอยู่เท่าที่เราสังเกตเนี่ยก็คือสมาธิอันเกิดจากการเดินจงกรมจะตั้งอยู่นาน พอไปดูในกายยานุปัสสนาสติปฐานในหมดของการเดินชมกลมท่านก็ตัดว่าเดินให้รู้ชัดว่าเดินคำว่ารู้ชัดเนี่ยคนมักจะตีความหมายไปว่าเพ่งพอเพ่งแล้วมันจะรู้ชัดแต่ผมอยากจะให้ข้อคิดอะไรสักอย่าง สมมติผมเป็นคนตาบอดผมไม่รู้จักมาก่อนว่าวัตถุอันเนี้ลักษณะมันเป็นยังไงวิธีการที่ผมจะรู้จักวัตถุนี้ได้เนเพื่อให้รู้ชัดรู้จักให้มั่นคงให้แน่นอนว่าวัตถุอันนี้เป็นยังไงผมไม่ได้บอกว่าผมใช้วิธีเพ่งให้มันเห็นชัด แต่ผมใช้วิธีแตะบ่อยๆมากๆทั่วๆจนกระทั่งสามารถประกอบเรื่องราวขึ้นมาได้จนชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเรารเดินผมถึงบอกว่าถ้าเราต้องการสมาธิจากการเดินให้แนบแๆไว้ ใส่เงื่อนไขเข้าไปวันแรกๆท่านรู้สึกว่าใจไม่ค่อยสงบแล้วท่านอยากจะสงบก็เดินแนบๆช้าๆหน่อยเอาจิตแนบไปกับการเดินอย่าถึงกับเครียดนะครับพอเครียดก็ถอยออกหน่อยคลายออกพอรู้สึกว่าสงบดีแล้วก็ผ่อนนะครับอาจจะเดินเป็นอิสระขึ้น ต้องการเพียงแค่สติสามปัญญาบางช่วงรู้สึกเกิดเป็นความสุขในทิจะธรรมคำว่าทิฏฐธรรมก็คือปัจจุบันนี้เองนะครับเกิดความสุขขึ้นมาบ้างแล้วก็สังเกตไปเรื่อยวันแรกๆต้องการอย่างนี้ก่อนแล้วทำยังไงเดินไปจึงจะเกิดญาณทัศนะในข้อที่สองพอจิตเริ่มสงบดีตั้งมั่นดีไม่ค่อยมีนิวรณ์ไม่ค่อยมีอะไรเข้ามารบกวน จากนั้นท่านจะเห็นเป็นแวบๆว่าสิ่งที่กำลังก้าวอยู่นี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเขาทำงานได้ตามเหตุตามปัจจัยเฉยๆเป็นแวบๆแบบถ้าจิตท่านตั้งมัน่นเห็นวันนี้เราต้องการให้จิตตั้งมั่นโดยการเกิดความสงบก่อนใจเย็นๆเราสังสมความเห็นผิดมาตลอด เวลาอันยาวนานทั้งสังสรวัาหคงไม่ถอดถอนในวันเดียวแน่ในการถอดถอนมักมีองค์แปดผมบอกให้เลยว่าอำนาจการชำระเนี่ยรุนแรงดดสายฟ้าฟาดต่อให้ท่านสั่งสมมาล้านล้านปีขอให้เชื่อในอนุภาพแห่งมักถ้าถึงเวลาชำระ ขาดสบันในเวลาอันสั้นแต่คำว่าสั้นก็แล้วแต่คนนะผมมีองคุริมาลเป็นไอดอลในใจองคุริมาณทำกรรมมาไม่ใช่น้อยแต่ท่านเข้าถึงความเป็นพระอราหันต์ได้ด้วยอาศัยมักยงแปดพวกเราคงไม่ได้ทำมามากขนาดท่านเพราะฉะนั้นผมว่าเรามีสิทธิ มักมีวงแปดมีอนุภาพที่รุนแรงสว่างโล่ถ้าฟาดลงมาเนี่ยนะครับแล้วเปลี่ยนปุตุชนเข้าสู่ความเป็นอริยชนได้ค่อยๆเริ่มทาถึงจุดนี้เราจะมาที่การเดินจงกรมนะครั บ, น, รบนั่งสมาธิพอได้ละเมื่อกี้เห็นพระสูตรมาจนครบสิบหกถึงแม้จะทําได้แค่ไหนแล้วแต่เราในการเดินจงกรมหลักสูตรนี้ใครอยากจะกาหนด ก็กําหนดเองในใจนะครับจะขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอผมบอกแล้วผมไม่เกี่ยวพุทธเจ้าตรัสไว้แค่นี้ใครอยากจะไปเพิ่มอุบายเห็นว่าอุบายนี้ดีทําไปเลยนะครับทำไปเล ย, นะเลยถ้าเห็นว่าทุกอย่างเกื้อกูลทําไปเลยอานาปนสติเป็นพระสูตรที่พุทธเจ้าตรัสถึงมากแล้วก็ให้เห็นอา น, นิสงส์มากแต่ท่านก็ไม่ได้ปิดกั้นเลยทั้งกรรมฐานสี่สิบ เป็นบาดเป็นฐานให้จิตเกิดความตั้งมั่นแล้วมาต่อยอดเป็นวิปัสสนาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือแม้อรูปฌานตั้งแต่อากาสารัญจายตนะขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสัญญาเวทยิตานิโรธก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรท่านบอกวิธีเข้าสู่มรรคผลนิพพานกันไว้หมดเพียงแต่ผมบอกแล้วว่าท่านพูดถึงอะไรมากสอนอะไรมากผมก็สอนตามท่านแล้วผมก็ทําตามท่านท่านสอนอะไรผมทําตามนั้นไม่งั้นก็เหมือนผมโกหกท่าน อ้าวท่านสอนอย่างนี้ปากบอกอย่างนี้เธอทำอีกอย่างเหรอไม่ผมพูดอะไรท่านพูดอะไรผมพูดอะไรผมทำตามนั้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าใครจะเดินยังไงตามสบายเพราะเดี๋ยวเราปล่อยเดินอิสระนะครับจะกาหนดข้างในจะช้าใครจะเดินธรรมดาใครจะเดินเร็วแค่ไหนตามสบายเลยนะครับตามอัธยาศัยเราจะดูกันแค่เวลาแล้วเราเค่อยกลับมาอีกทีหนึง่งนะครับเข้าใจตรงกันนะครับ เพะนหลักสูตรนี้โชคดีตรงที่คนไม่มากเราก็จะใช้หอธรรมเนี่ยเกืออคูลกันนะครับแบ่งปันกันจะเดินใกล้เดินไกลแค่ไหนก็จัดสรรกันตัวเองก็จะเป็นกึงก่งๆคอสเข้มท่านดูแลตัวเองตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงยี่สิบห้านาทีเราจะเดินจงกรมกันแล้วก็รวมถึงเวลาในการไปพักผ่อนเข้าห้องน้าสาหรับบางท่านด้วย เราจะมานั่งสมาธิกันอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ตอนบ่ายสามโมงตรงท่านจะมีเวลาสี่สิบนาทีนะครับบริหารเวลาเองเลยนะครับบริหารเวลาเองอเชิญเลยครับ